สิกขาบทที่หภิกษุณีทำอันตรายแก่จีวรที่คณะจะพึงได้ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังทำต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อทำแล้วต้องอาบัตปาจิตตี